ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกัมมันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องของสุวรณสามตามเดิมในตอนต้นไปจบลงตอนที่พระราชา พ, พระไทยที่บรรดาดาบทนรีว่าดาปสินีทั้งสองสา ม, มีพัญญาไม่แสดงการความโกรธเคือง กลับแสดงความจงรักภพกดีต่อพระองค์แล้วก็ยกย่องพระองค์นี่ที่เป็นที่โบ ร, ราณท่านบอกว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทคนเจอชั่วจะดีก็อยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหยเพราะชิวหาถ้าพูดดีมันก็เป็ น, สนเสน่ห์เป็นที่ถูกใจคน เพื่อให้มันดาด า, ดาบทจารัสินีเห็นว่าพระองค์เต็มพระทัยที่จะปฏิบัติเขาทั้งสองดันั้นเจ้ได้ทรงตัดว่าท่านทั้งสองข้าพเจ้าขอรับท่านทั้งสองไว้เป็นบิดาและมันดาของข้าพเจ้าอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระราชาเลย ขอยนึกว่าข้าพเจ้าเป็นสุวรรณสามก็แล้วกันนี่ความจริงที่เราพูดดีที่อย่างเดียวมันมีประโยชน์เราเห็นว่าคนปัจจุบันเนี่ยที่เขาดีมีความสุขดีไม่ดีเขาไม่ได้ใช้แรงงานเลยใช้วาทะอย่างเดียวฉลาดในการพูดฉลาดในการแสดงออกทางวาจานี่เขาร่ําวยกันเยอะ นี่ก็เรียกว่าคนกลางไม่ต้องใช้ทุนแล้๋ยวพวดในหน้าเร่ขายของแจ้งข่าวด้านฝ่ายซื้อแจ้งข่าวแจ้งข่าวฝ่ายขายสามารถเจรจาให้คนที่จะขายและคนจะซื้อตกลงกันได้ได้เปอร์เซ็นต์ให้เทมเพิลบอกว่าคนจะชั่วจะดีก็ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยก็ว่าชิวหา ถ้าพูดจาดีๆมีราคาเรียกว่าของที่เราไม่นึกว่าจะได้ไมันก็ได้นี่ขอให้พูดดีที่อย่างเดียวนะครับบันดาท่านทั้งหลายถ้าว่าท่านไม่แน่ใจท่านจะไปหาใครก็ตามลงใช้วาจาอ่อนหวานสักเกียดไว้ ว่าคนแถวทินแถวทินี้ถิณนี้เนี่ยเขาชอบวาจารประเภทใด ต, ตรงไปตรงมาหรือว่าวาจาปลอกโยนแล้วก็ลองใช้ดตามนั้นเถอะมันจะมีผลคนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไม่ได้หมายความว่าเราจำจะต้องไปรอกันชาติหน้า ที่เรียกกันว่ารัฐิวิมานรัฐวิมานก็คือความสุขใจในชาตินี้นั่นแหละเป็นสำคัญถ้าเราก่าวาจาเช่นใดออกไปเป็นที่ชอบใจของบุคคลผู้รับฟังเราเองจะรับตอบสนองคือความสบายกายสบายใจเพราะเขาชอบใจเราเขามีอาการยิ้มแยม้มแจ่มใสสดชื่นคบหาสมาคม ยิ่งไปกว่านั้นจะรับการสงข้อเนเข้อเป็นอย่างดีนี่วาจาที่นี้จึงเป็นวาจาที่มีสามามสาคัญคนบางทีพูดตรงตรงต่อความเป็นจริงแต่ว่าตรงเกินไปก็เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์เพราะนั้นมาคุยกันต่อไปเดี๋ยวไม่ต้องจบกันละ เป่นนาวา่าธนดาบทดำนาบัซินีทั้งสองกราบถวายบังคมงวิงวอน่าฆ่าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐการงานอย่างอื่นที่พระองค์จะทรงทําแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองไม่มีแล้วนอกจากว่าข้าพระบาททั้งสองพระองค์จาหาะจะขอความพระกรุณาให้พระองค์ คือขอพระองค์ได้โปรดช่วยถือปลายไม้เท้าของข้าพระบาททั้งสองไปที่ศพของพ่อสุวรรณสามพอให้เห็นรูปได้ครัมก็พอแล้วจากนั้นข้าบระบาททั้งสองก็จะทรมานตัวให้ตายไปตามลูกชายของข้าพระพุทธเจ้าวันนั้นมาจบลงตรงนี้วันนี้ขอต่อไปว่าพระราชา ทรงพนนามว่าปีระยัคราชทรงรับก็ทรงรับรองว่าจะพาไปยังได้ทรงจุงปลายไม่ท้าคุณดาบดทเท่าสองนำไปที่สวรรค์สามนอนจมกองเลือดอยู่ให้มาถึงแล้วก็ยังส่งต่ว่าท่านพ่อท่านแม่ทั้งสอง บุตชายคือสวรณสามของท่านอยู่ที่นี่แต่ก็ขอได้โปรดอย่าลืมว่าสวรณสามคนนี้สิ้นลมปรานเสร็จแล้วสุวรรณสามคนใหม่คือข้าพเจ้าพาว่าเจ้าจะเป็นสวรณสามรับใช้ท่านเป็นลกูกคนชั่านต่อไปได้โปรดอย่าหนักใจเลยความจริงถ้อยคำของพระราชาก็เป็นที่น่ารักไม่น่าโกรธ ผู้ดีจริงๆฝ่ายท่านดาบททั้งสองคือทุกุนันดาบทผู้เป็นบิดาครามศิษะพบแล้วจินได้ช้อนศิษะสุวรรณสามมอวางไว้บนตักสำหรับนางปาริกาดาบดาบศนี ก็ยกสุวรรณสามมาขึ้นวางไว้บนตักชิ้นเดียวกันก็น่าโกลัจะต้องยกทั้งตัวเลยหัวไม่อยู่กับพ่อหางไม่อยู่กับแม่ท่านเดือนสองก็โศกเศร้ารำพันว่าโอ๋หนอพ่อสุวรรณสามลูกรักของพ่อและแม่พ่อหลับเอาจริงๆและลูกพ่อไม่ได้พูดกับพ่อกับแม่ให้ชื่นใจบ้างเลย พ่อเคยเลี้ยงดูพ่อแม่ต่อแต่นี้ไปใครเราจะจัดหาผลไม้ให้เจ้าห้ามให้พ่อให้แม่แลืหาน้ำเย็นหาน้ำร้อนให้พ่อแม่อาบเวลาร้อนพ่อก็หาน้ำเย็นมาให้พ่อแม่อาบเวลาหนาวพ่อก็หาน้ำร้อนหาน้ำอุ่นให้พ่อแม่อาบ นอกจากโซนัสสามลูกรักของพ่อแล้วพ่อแม่ไม่เห็นใครแล้วที่ช่วยเหลือพ่อและแม่ทั้งสองได้ขณะที่ท่านนสองดาบทั่มเพื่อรำพันอยู่อย่างนั้นบางเอื่นปาริกาตาปัสสินีรูปคร่ำไปที่อกของลูกชายคือสวนสาม เห็นว่ า, าการยังมีอาการอบอุ่นอยู่นางยินดีคิดว่าพ่อสุวรรณสามลูกของเราคงจะเพียงสลบไปเท่านั้นยังคงไม่ถึงกับความตายอาศัยความดีของท่านที่มีสัจจวาตรจา่าทรงศีลทรงธรรมท่านจึงได้ตั้งสัตยาธิฐานว่าพ่อสุวรรณสามนี้ แต่เดิมเกิดมาตั้งแต่อยู่อยู่ในสมัมมาจารีตลอดมาเข้ามาสมัมมาจารีนเขาว่ า, ายัางไงพระพฤติดีนะมั้งพระพุทธชอบทั้งเต็มเปี่ยมด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อมาดาเรมิดามาเกิดล้าว เ, เรารักพ่อสุวรณสามยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้คอยพิษ บาดแผลของสุวรรณสามโรครักจัวหายไปแล้วกล่าวต่อไปว่าอันหนึ่งเดชะบุญกุศลที่พ่อสุวรรณสามได้เลี้ยงบิดามันดาให้มีความสุขขอโนภาพแห่งบุญนั้นจงันดาลให้พิษนี้หายไ ป, ไ ป, ไปนี่เป็นคำอธิฐาน เมื่อนางปาริกามันดาตั้งสัตยาธิฐานจบสวนรณสามก็พลิกตัวแล้วก็นอนต่อไปนี่สนแสดงว่าประสาทเริ่มทำงานก็ใช้ทำอธิฐานสำหรับท่านานักปราบัใหม่ๆและท่านบุคเกิดใหม่ๆถ้าอาจจะคิดว่าคำอธิฐานไม่เป็นประโยชน์นั่นก็เรื่องช่างเถอะฟังกันต่อไปก็แล้วกัน สำหรับท่านทุกคุนันดาบทเห็นดังนั้นก็ดีใจจึงคิดว่าลูกยังมีชีวิตอยู่จึงได้ตั้งสัตยาธิฐานบ้างอย่างเดียวกับที่นางปาริกาธิฐานเมื่อจบคำธิฐานเขาบินดาสุวรณสามก็พลิกตัวอีกข้างอีกข้างหนึ่งแล้วก็นอนต่อไปนี่แกเล่งพลิ้พลิ้นอนนอนนี่พ่อกับแม่ก็แย่เหมือนกัน ส่วนนานเท พ, พธิดาที่มีนามว่าพระสมทรีก็ตั้งสัตยาทิฐานว่าเราอยู่นักเขาคันธมาศมาเป็นเวลานานเราไม่รักใครใครมากเท่าสุวรรณสามเลยด้วยคำสัตย์นี้ขอให้พิจงหายไปนี่เป็นคำริษฐานของมันดาที่เป็นเท พ, พธิดาคือเป็นแม่นายดีในชาติ เร่งกล่าวว่าในทันใดนั้นเองก็เกิดเหตุอัศจรรย์สีอย่างในขณะเดียวกันคือไม่เกิดมาพร้อมๆกันคือหนึ่งสุวรรณสามหายจากโรคลุกขึ้นได้เหมือนคนดีธรรมดาธรรมดาเรายการที่สองตาดังสองข้างหุ่นดาวบทต้นดาวบาชินีคือพ่อและแม่ก็หายเป็นปกติเห็นแจ่มชัด แจ่มใสคือชัดเจนแจ่มใสสามพอดีแสงอรุณขึ้นพอดีแล้ก็สี่คนทั้งสี่คือพระเจ้าพระเจ้าปิระยะรัคคาท่านทุกุลบัณฑิตเพื่อนามปาริกาดาปัสินีและก็สวรรณสามปรากฏอยู่ในอสม แทนที่จะอยู่ในป่าละชายน้ำมันนั่งก็อยู่ในสมพร้อมกันนี่เป็นเหตุอัศจรรย์เรื่องนี้เป็นอนุภาพของพระ อ, อินทร์แน่ฉะนั้นดัชนมารดาบิดาเมื่อในตาแจ่มใสเห็นลูกชายหายเป็นปกติก็ดีใจพระองค์ก็กอดจอบลูกด้วยความปลื้มใจและมีเรื่ความรักสำหรับส่วนสามมนุิต บัณฑิตที่เขาแปลว่าคนดีนะที่นี่กล่าวว่าขอความสุขจงมีแด่ท่านทั้นหลายเถิดบัตินี้เขาเปเจ้าเนรหายเป็นปกติแล้วขอให้ได้มีการสนทนาสมมาสมโมธนียกถาคือพูดกันแบบสบายๆใจเป็นสุขพูดสนุกสนุกให้เป็นที่รื่นเร็วสมโมธนียกถา สมมัมมนิเนยะนี้พระอเราทำให้ปรื่มใจท่านสุณสามมองไปเห็นพระราชาจจ้งถวายบางคมและกราบคุณว่าข้าแต่บาราชพระองค์เสน็จมาดีแล้วขอพระองค์จงเสเวยผลไม้เท่าที่มีอยู่เช่นมาพรับมหาดมะส่างและขอจงเลือกตามพระราชดยาสายเถิด ข้าพระองค์ดีใจมากที่พระองค์สเสด็จมาณทีน่นี้ว่าจจดีๆอย่างนี้ก็ น, น่าจะจํากันไว้นะเพราะดีดีกว่ายุให้รําทําให้รัว่วยุให้ก็นวลนแตกกันยุเฮนี้ผิดใจกันแย่อย่างน้นบ้างแย่อย่างนี้บ้างต่างคนต่างไม่ส บ, บายใจคนยุก็ไม่ส บ, บายใจคนถูกยุก็ไม่ส บ, บายใจ สำหรับพระราชาปิยะรัพิยะปีร ย, ย, ย, ย, ยะขราชพอปเป็นเนตแห่งความมหัศจรรย์เช่นนั้นจึงแต่รูว่าข้าพเจ้านิ่ ง, งงเต็มทีไปหมดเพื่องงงไปหมดทั้งแปดด้านไม่รู้ว่าเป็นอะไรข้าพเจ้าเห็นพ่อสุนรสามสิ้นชีวิตแล้วแต่ว่าทำไมจึงฟื้นขึ้นมาได้น่าสัจจริงๆ สำหรับส่วนนักสามันติจินตมิว่าประชาชาสำคัญว่าเราตายแต่ก็เรายังไม่ตายเราจะประกาศให้ประชาชาทราบว่าเราไม่ตายเพราะอะไรนุ่ยลาใกล้ลิษาสามนาทีว่ากันต่อไปนี่นีน่กระทุนว่าค่าแต่มหาราชมุคคนพุ่นใดเลี้ยงบินดารมันดา โดยชอบให้มีความสุขเทพเพียรดาและมนุษย์ย่อมแก้ไขคุ้มครองบุคคลบุ้นั้นนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้นั้นในโลกนี้เมื่อเขาละโลกนี้เป็นแล้วย่อมร่าเริงบันเทิองอยู่บนสวรรค์นี่หมายความว่าถ้าบุคคลใดก็ตามมีความกตัญญูรู้คุณตวิดามันดา ตอบสนองท่านด้วความกตัญญูรู้คุณท่านบอกว่าเทวดารักษาเวลาตายแล้วก็ไปสบายใจอยู่บนสวรรค์เรื่องบนสวรรค์ไม่ยังไม่ต้องคิดกันก่อนก็ได้คิดเอาปัจจุบันว่าเวลานี้มันดีซิ่ไแล้วกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราต้องเราต้องการมีความสุขตลอดกาลแล้วก็ทำเวลานี้ให้มันมีความสุข เอาเ ว, วลาหนึ่งนาทีจะเส็ขกินพูดมากไม่ได้ต่อไปอีนิดราชาพิยคราชในส ن ับคำเขาทั่วหน้าสามก็ทรงดำริว่าน่าประหลาดใจอะไรเช่นนี้คนที่เลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่ด้วยดีแม่เทวดาก็ประถับคํำชูช่วยเยี่ยวย า, ารักษาโรคให้หายได้ พ่อสุวรรณสามนี่เป็นคนน่ารักเหลือเกินทรนดำดิ ด, ดังนี้แล้วจึงปรคองอัญเชิญคือพนมมือแล้วกล่าวว่าพ่อสุวรรณสามบัณฑิดหมายความสุวรรณสามคนดีพ่อเข้าไปเจ้าหลงมงมงายมานานแล้วท่านทําให้เข้าไปเจ้ามีความสว่างสวยดีขึ้นจริงๆ ข้าพเจ้าขอยึดท่านเป็นสนะคมสนะหมายความว่าเป็นที่พึ่งขอท่านจงเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าต่อไปเถิดนี่เหลือเวลาอีกยี่สิบวินาทีสเสศษต่ออีกนิดหนึ่งส่วนนักสา ม, มัณฑิต ก, กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่มหาราชหากพระองค์จะทรงมีพระประสงค์เจ้าสนเทสู่ ส, สวรรค์ พระสวยที่ประสมบัติแล้วขอพระองค์ทรงประพฤติ ธ, ธรรมเพื่อทรงธรรมจัญญามีความประพฤตินนในธรรมดังข้าพระบาทกลับทูลเถิดพระเยาว์ข้าอราวนดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทั้งหลายและลูกหลานที่รักเวลาที่จะพูดกันของเรื่องสุวรรสามวานนี้ก็จบเสร็จแล้วขอรับฟังมันต่อไป ขอความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีดบบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักสวัสดี